นางบุญชูก็หิ้วปินโตใส่ข้าวใส่กับกลับบ้านเหมือนทุกคนแต่บางวันถือวิสาสะหยิบหอมหยิบกระเทียมพริกแห้งใส่เข้าไปด้วยหรือวันไหนมีหมูมีปลาเลือจากการทำอาหารถวายพระนีนก็จัดแจงยัดใส่ปินโตโดยพะละการมิได้บอกกล่าวขออนุญาตต่อหลวงพ่อก่อนคงคิดว่า เป็นของกินเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญอะไรคนที่อยู่ใกล้วัดใกล้พระจำนวนไม่น้อยมักจะหาบาปหาเวรหากมใส่ตัวเองเพราะความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการพอใจสิ่งของในวัดวาอารามอย่างไหนถ้าหยิบฉวยไปง่ายๆก็จะคว้าไปเลยหารู้ไม่ว่าแม้นจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือ ไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแต่ก็เป็นของสงถ้าพระสงค์ไม่อนุญาตจะนำไปเป็นของตนไม่ได้เพราะเท่ากับลักขโมยของสงโดยเจตนาเป็นอากุศโกรรมอันหนักหนาสาหัสทีเดียว นางบุญชูคงจะหยิบชวยของในครัววัดอัมพวันไปเป็นอาจินด้วยความมาักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้และไม่เพียงแต่นางบุญชูเท่านั้นที่ประพฤติเช่นนี้คนอื่นๆที่มาช่วยงานโรงครัวก็พลอยกระทําตามไปด้วยกันคราวนี้วิญญาณแม่กาหลงซึ่งเงียบเชี่ยประหนึ่งสูญหายสลายไปนานแล้วก็พลันแสดงฤทธ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 ลักษณะท่าทางได้ผิดไปเป็นคนละคนพวกที่อยู่โรงครัวถามกันโขมว่าแม่บุญชูเป็นอะไรไปแม่บุญชูเป็นอะไรนางบุญชูก็พูดเสียงดังฟังชัดว่าฉันไม่ใช่บุญชูฉันคือกาหลงเป็นวิญญาณอยู่ที่โรงครัวนี้พอรู้ว่านางบุญชูถูกผีเข้า แต่ละคนก็ถอยกรูดไปคนละทางไม่กล้าเข้าไปจับต้องประคองตัวนางบุญชูเช่นตอนแรกคนหนึ่งถามผีแม่กาหลงที่แฝงนางบุญชูว่าวนี่มาเข้าแม่บุญชูทำไมเป็นผีแล้วมาอยู่ที่โรงครัวได้อย่างไรที่นี่เป็นวัดนะวิญญาณก็ตอบผ่านร่างนางบุญชูเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนว่า หลวงพ่อวัดอัมพวันเชิญเรามาเจริญวิปัสสนากรรมาฐานที่วัด น, นี้เราก็ตามมาติดมากับบ้านที่หลวงพ่อไปซื้อแล้วรื้อมาปลูกโรงคัวนี่แหละเรายังช่วยรื้อบ้านปลูกโรงคัวให้ท่านด้วยแล้วเป็นอะไรตายละ่ะทาไมถึงตายมีคนหนึ่งถามขึ้นเราเป็นไข้าตายตอนจะตายยังห่วงสมบัติห่วงผัว ผัวเราเจ้าชู้มากมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาสิ้นใจตายไปแล้วก็ไปไหนไม่รอดเพราะห่วงสมบัติห่วงผัวเลยเป็นเปรตสิงอยู่ที่บ้านด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะหลวงพ่อวัดอัมพวันไปที่บ้านเราก็นั่งใกล้ๆท่านท่านไม่รู้ แล้วมาที่นี่ทำไมมารบกวนแม่บุญชูเขาทำไมแม่ครัววัดคนหนึ่งเจรจาขึ้นบ้างเรามาช่วยหลวงพ่อท่านดูแลโรงครัวก็เห็นมานานแล้วเห็นหลายวันแล้วพวกเธอที่มาทำครัวนี่แหละเม้มเอาของวัดลักขโมยกระปิหอมกระเทียมไปหมูบ้างปลาบ้างไม่เว้นแต่ละวันลักไปบ้านกันบ่อยเราทนดูไม่ไหวถึงต้องมาเตือน อย่าเอาไปเลยอย่าลักขโมยของวัดไปอีกตายเมื่อไหร่จะกลายเป็นเปรตด้วยอำนาจโลภเป็นบาปกรรมเพราะโลภเป็นเปรดเหมือนอย่างเราคราวนี้พวกที่แอบหยิบฉวยของในโรงครัววัดติดมือกลับบ้านมองหน้ากันลอกแกลกเกิดกลัวบาปเวนขึ้นมาทันทีระหว่างที่วิญญาณแม่กาหลงเข้าสิงนางบุญชูมีญาติโยมพระเนร พากันไปมุงดูเป็นกลุ่มพระรูปหนึ่งเห็นนางบุญชูถูกผีเข้าไม่ยอมออกง่ายๆก็รีบไปหาหลวงพ่อบอกกล่าวเรื่องราวว่านางบุญชูถูกผีเข้านิมนต์หลวงพ่อไปเจรจากับผีให้ออกไปเสียหลวงพ่อจะรันหัวเราะบอกว่าไม่ไปหรอกให้เขาพูดกันเองก็แล้วกัน ทางฝ่ายวิญญาณแม่กาหลงที่สิงนางบุญชูก็สอนให้พวกแม่ครัววัดควรปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกันบ้างไม่ใช่เอาแต่หุงข้าวต้มแกงไปวันวันหนึ่งก็ได้กุศลแค่ทำครัวไม่ทำกรรมฐานก็ปิดประตูอบายไม่ได้วิญญาณแม่กาหลงเตือนสติบรรดาแม่ครัววัดพอสมควรแล้วก็ออกจากร่างนางบุญชูไปเมื่อนางบุญชูรู้สึกตัวเป็นปกติ เห็นคนรายร้อมรอบตัวเป็นกลุ่มก็มองซ้ายมองขวาเลิกลักเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเพื่อนๆจึงเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นนางบุญชูก็เกิดความหวาดเสียวในการกระทำของตนเองเป็นกำลังตั้งแต่วันนั้นพวกที่เป็นแม่ครัววัดไม่มีใครกล้ามาักง่ายหยิบชวยของในครัวกลับบ้านอีกเลยเพราะ กลัววิญญาณแม่กาหลงอย่างจับจิตจับใจหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโกไม่เคยรู้เรื่องแม่กาหลงมาก่อนเนื่องจากไม่มีใครเล่าให้ฟังกระทั่งถึงวันธรรมสวรนระผู้ใหญ่กรีบกับคุณป้ายุพินก็นั่งเรือยนมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เมื่อเจริญทำกรรมาฐานแล้วหลวงพ่อจรัญได้บอกคุณป้ายุพินว่าโยมเจ้าของบ้านที่อัตมาซื้อมาทำโรงครัวนี้ชื่อการหลงจริงไห ม, ไมเป็นผีเคยแสดงอะไรไหมคุณป้ายุพินกับผู้ใหญ่กรีบก็หัวเระาะนมัสการกราบเรียนถวายท่านว่าเขาชื่อการหลง อยู่ที่บ้านนั้นแล้วเป็นไข้าตายการดำขึ้นผุดเต็มตัวเลยแต่ฉันไม่ได้บอกหลวงพ่อเองแหละเดี๋ยวท่านจะไม่ซื้อบ้านหลังนี้เขาก็แสดงให้เห็นเหมือนกันคนอื่นๆถึงไม่ซื้อบ้านหลังนี้ไปวิญญาณแม่กาหลงที่วัดอัมพวันไม่เพียงแต่ปรากฏเข้าสิงร่างนางบุญชูภรรยาพาันรง ซึ่งมาช่วยงานครัวในวัดเท่านั้นยังแสดงฤทธิอ์อภิญหารปรากฏไว้อีกหลายครั้งดังจะนำมาพารนาถ่ายทอดให้ได้รับรู้กันต่อไปนี้ครั้งนั้นมีแม่ฉาบแม่เขียว ซึ่งเป็นอุบาสิกาช่วยงานบุญวัดดาวดึงแม่เขียวเป็นอุบาสิกาช่วยงานบุญวัดราชประสิทธิ์ต่อมาได้มาเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันวัดอัมพวันสมัยแรกๆยังไม่มีกุฏิกรรมฐานหรือศาลาปฏิบัติธรรมแยกเป็นสัดส่วนเช่นปัจจุบันผู้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อจรรยจะให้ปฏิบัติ และพักผ่อนหลับนอนที่ศาลาการประเรียนอาหารการกินของผู้ปฏิบัติธรรมต้องหุงหากินกันเองไม่สะดวกสบายเช่นทุกวันนี้ซึ่งทางวัดอนุเคราะห์ให้ทุกอย่างตรงนี้ขอแทรกเอาไว้เมื่อแรกเริ่มที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันอบรมสั่งสอนทำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่สาธุชนทั่วไปที่ไฟธรรม กล่าวได้ว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานนับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นเอาจริงหลวงพ่อจรันสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นปฐมที่วัดพมบุรีแล้วจึงมาสอนที่วัดอัมพวัน ขอกล่าวถึงเฉพาะที่วัดอัมพวันในสมัยเริ่มแรกที่มีการสอนและปฏิบัติกรรมฐานสมัยนั้นถนนหนทางลาดยางลาดคลอนกรีตยังไม่มีการข้มนาคมที่สะดวกที่สุดต้องใช้เรือภายเรือแจวภ า, ายตามน้ําทวนน้ํากันสถานที่ปฏิบัติธรรมคือศาลาการประเรียนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาก็ไม่มีใช้อาหารการกินต้องเตรียมไปเองและหุงหากันกินตามอัธยาศัยผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญรุ่นแรกๆทุกคนมีได้ระยอท้อถอยทุ่มกายถวายชีวิตมานะบากบัน่น บำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้เห็นธรรมอันสว่างสวัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้สึกสำนึกตรึกในกรรมของตนและเพื่อก่อกรรมดีเป็นพื้นฐานสืบไปในชาติปัจจุบันและชาติภพบเบื้องหน้าวันนี้ ปัจจุบันนี้วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีไม่เหลือร่องรอยความอัตคัดกันดานใดๆอีกแล้วกุฏิกรรมฐานศาลาปฏิบัติธรรมมีอยู่มากมายกว้างขวางเรียงรายเต็มพื้นที่ธรณีสงยุงมแมลงไม่มารบกวนเพราะมีมุ้งลวดป้องกันน้ำประปาไฟฟ้าสะดวกสบาย ห้องน้ำห้องซ่วมสะอาดเหลือเฟือ่อแม้กระทั่งอาหารการกินทางวัดก็จัดเตรียมไว้ให้บรรเทาความหิวทุกเมือ่อไม่อดอยากและไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นผู้ที่มีความตั้งใจฝ่ายดีสแสวงหาความสงบระ ง, งับในธรรมต้องการความรู้ในธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แม้จะมีฐานะอัตคัดขาดเคนสักเพียงไรขอเพียงมีค่าพาหนะเดินทางไปวัดอัมพวันก็สามารถเข้าร่วมฝึกฝนอบรมจิตได้ทันทีเพราะทางวัดมีเมตตาให้ทุกคนแม้กระทั่งชุดขาวทั้งชายและหญิง ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสุธยานมงคลขอสิ่งตอบแทนเพียงประการเดียวคือความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นแน่วแน่ความอดทนอดกลั้นสำรวมกายวาจาใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลาที่ทุกคนกำหนดเองสิ่งที่ทุกคนจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือความสุขสงบร่มเย็น ผ่อนคลายจากความเร่าร้อนของกิเลสรำลึกสำนึกรู้ในกฎแห่งกรรมของตนเป็นอัศจรรย์จะน้อยจะมากต้องได้รับเหมือนกันคราวนี้มาเข้าเรื่องต่อแม่ฉาบแม่เขียวก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันโดยอาศัยศาลาการประเรียนเป็นสถานที่พักที่ปฏิบัติ บางคืนอุบาสิกาทั้งสองเผลอสตินอนหลับเพลินจะมีหญิงสาวรูปร่างสวยผิวละเอียดคมขำพูดจาไพเราะอ่อนหวานมาปลุกให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเวลาติดขัดในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้หญิงสาวผู้นี้ช่วยแนะแนวกรรมฐานที่ถูกต้องให้แม่ฉาบแม่เขียวก็รู้ว่า เป็นแม่กาหลงแต่ทั้งสองอุบาสิกาไม่ได้นึกกลัวแต่อย่างไรซ้ำยังยกย่องเลื่อมใสเสียอีกเหตุการณ์ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้มีข้อความดังนี้อาตมาขอยืนยันว่าผีก็จเจริญกรรมาฐานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคน คนยังไม่สนใจเลยแต่ผีสนใจก็เป็นที่น่าอนุโมทนาก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมุ่งมั่นปรารถนาเข้าสู่ภาวะกลับกลายจากเปรดกลายเป็นเทพธิดาได้ไม่มีการปฏิสนธิในขันแต่ประการใดเป็นอภินิหารของโอปปะปติกะที่สร้างคุณงามความดีเกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นเทพก็ได้ เป็นได้หลายอย่างโดยอภิธิหารของบุญกุศลที่ตนได้สร้างมานี่เป็นเรื่องการพัฒนาจิตของแม่กาหลงผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความนอบน้อมถ่อมตนมีสติปัญญาพิจารณา แยกแยะความดีความเลวได้ชัดเจนย่อมง่ายแก่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใดสมควรและไม่สมควรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอบรมสั่งสอนให้รู้จักใช้กิริยามารยาทที่แสดงถึงความนอบน้อมอ่อนโยนเช่นไปให้ลามาให้ไหวกิริยาไปลามาไหวเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพ ความสัมพันธ์สืบเนื่องอันดีต่อกันเป็นการให้เกียรติระหว่างวัยยุทธคุณวุฒิซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันตั้งแต่โบราณกาลแม่กาหลงแม้จะเป็นโอปะปาติกะอยู่ต่างพบต่างภูมิกับมนุษย์ก็ยังรู้จักนอบน้อมมีสัมมาคาระวะ และมีเรื่องไปลามาไหวของแม่กาหลงปรากฏเป็นอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งดังนี้วันหนึ่งแม่กาหลงมาหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรรยเพื่อนำมรสการกราบลาขออนุญาตออกไปนอกเขตวัดแม่กาหลงกราบเรียนถวายท่านว่า หลวงพ่อเจ้าขาดิฉันขอลาไปบ้านสักสองวันเจ้าค่ะหลวงพ่อถามว่าลาไปทําไมล่ะกาหลงแม่กาหลงกราบเรียนถวายรายงานต่อไปว่าญาติเธอตายหลวงพ่อจึงว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรละ่ะญาติตายไปทําไมเรามาเป็นกายแบบนี้เป็นวิญญาณแบบนี้ไม่น่าจะไปยุ่งกับพวกเขาเหล่านั้นเลย แม่กาหลงก็ยังยืนยันเจตนาเดิมดิฉันต้องไปดูญาติเจ้าค่ะต้องไปช่วยเขาสักสองวันแล้วจะกลับมาหลวงพ่อจรัญเห็นแม่กาหลงมีความตั้งใจแน่วแน่ท่านก็อนุญาตขณะเดียวกันก็นึกคำในใจว่าผีนี่ก็ดีนะอุตส่าห์ไปช่วยงานเขาได้แม่กาหลงเงียบหายไปสองวันพอครบกาหนดที่กราบเรียนไว้ ก็มาหาหลวงพ่อทันทีนมัส ก, การนอบน้อมกล่าวถวายรายงานว่าดิฉันกลับมาแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อไปช่วยงานเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อรับรู้แล้วก็ยังนึกขำอยู่คิดว่านี่อะไรกันผีอะไรช่วยงานได้เมนว่าแม่กาหลงจะบอกกล่าวเข้าทำนองไปลามาไหวแต่หลวงพ่อยังไม่แน่ใจว่า จะเป็นจริงตามที่แม่กาหลงบอกเมื่อถึงวันพระคุณป้ายุพินบำเรอ จ, จิตมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจลันจึงเรียกคุณป้ายุพินมาหาแล้วถามว่านิยมถามจริงๆเถอญาติของกาหลงเขามีไหมเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยงานเขาว่าญาติเขาตายมีจริงหรือเปล่าคุณป้ายุพินซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับ ครอบครัวของแม่กาหลงดีและทราบข่าวตรงกับที่แม่กาหลงกราบเปลี่ยนถวายหลวงพอ่อจึงตอบยืนยันว่ามีจริงเจ้าค่ะหลานแม่กาหลงลูกน้องสาวของเขาสองคนภายเรือข้ามฟากเรือล่มเลยกอดคอกันตายทั้งคู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันได้อธิบายโดยพิสดารถึงแม่กาหลงและภาวะของจิตวิญญาณหลายแงยม่มุม ควรค่าแก่ความสนใจเป็นอย่างยิ่งดังจะขอนมั ส, สการอนุญาตนำมาแสดงไว้นะที่นี้นี่ท่านทั้งหลายชี้ให้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เป็นปีศาจแต่ประการใดแล้วตอนนั้นเขาก็มีอภินิหารของบุญกุศลคนเรานี่กลับเป็นเปรตเป็นเทพได้เป็นเทวดาก็ได้ไม่ต้องปฏิสนธิในคันมารดา กลับกลายได้ทันทีโดยวิธีนี้แม่พินก็ยืนยันเลยว่าหลานคงเข้าตายเรือร่วมตายทั้งสองคนก็เป็นความจริงขึ้นมาโดยที่แม่กาหลงเป็นผู้บอกได้อย่างดีเดี๋ยวนี้แม่กาหลงยังอยู่ที่วัดอัมพวันตลอดมาก็รู้สึกว่าการพิสูจน์นี้พิสูจน์ยากเพราะคนเรา ไม่พิสูจน์ด้วยตนเองไม่ได้เจริญกรรมฐานจนลึกซึ้งในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าวิญญาณไม่มีผีไม่มีอย่างนี้เป็นตน้นถ้าคนไหนไปเจอด้วยตนเองแล้วจะว่าจริงเพราะเห็นด้วยตนเองพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าเราไม่เจอผีเจอวิญญาณเจอเทพเจอโอกปรปาติกะประการใดก็ว่าไม่มีจริง กระตรงกันอย่างนี้คนไหนประสบมาคนไหนพบมาก็เรียกว่ามีจริงเพราะตนเห็นด้วยตนเองและประสบด้วยตนเองทำนองนี้เป็นต้นจะกล่าวถึงแม่กาหลงก็มีวิธีการและอภินิหารหลายอย่างที่วัดอัมพวันตลอดมา มีหลักฐานมีบุคคลเป็นพยานและมีที่มาของแม่กาหลงบ้านแม่เขายังอยู่ด้วยที่ใต้วัดสว่างอารมณ์มาจนบัดนี้แต่ก็เป็นเรื่องอภินิหารของวิญญาณเป็นอภินิหารของบุญกุศลของคนที่มาสร้างเป็นเปรตแล้วไม่ใช่จะเป็นเปรตต่อไปเพราะอำนาจจิตอำนาจของโลพระกลายเป็นเปรตอำนาจโทสะลมนรกไปตามขั้นตอน อำนาจโมหะมีอยู่กับท่านผู้ใดรับรองวิญญาณแตกดับทำลายขันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีอันนี้เป็นความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาที่เราเข้ามาพิสูจน์ได้โดยไม่ยากนักส่วนใหญ่ชาวพุทธไม่ค่อยชอบพิสูจน์ไม่ค่อยชอบสร้างความดีกัน ขอเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกันนี่แหละแม่กาหลงุงมีเหตุและผลตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่ที่วัดอัมพวันพิสูจน์ได้โดยไม่ยากนักบางทีพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายตายบางคนบอกว่าไม่เคยฝันเห็นเลยไม่มีวี่แววเลยอย่างนี้ก็ทำบุญกันใหญ่ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ ถ้าเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเห็นวบๆบแวมแวมนั่นแหละไม่ดีเป็นเปรตประจำบ้านด้วยอํานาจโลภะของคนที่ตายห่วงใยลูกหลานห่วงใยทรัพย์สมบัติตายแล้วอยู่ที่นั่นไม่มีทางไปที่อื่นได้เกาะอยู่ที่นั่น ถ้าหมดห่วงหมดใหญ่ไม่มีอำนาจโลพะผูกใจไว้แต่ประการใดบุญกุศลดนบันดาลไปสู่สุขติโลกสวรรค์เทวะสถานได้ทันทีแต่ถ้าจิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ห่วงใหญ่ด้วยอำนาจของโลพะจะห่วงสามีก็ตามห่วงภรรยาก็ตามห่วงลูกก็ตามห่วงหลานก็ตามห่วงทรัพย์สมบัติก็ตามตายไปแล้วต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ตามอำนาจของตนที่มีอยู่ในจิตใจอันนี้แน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดเสี้ยให้ตั้งสติมีโลภผูกใจอยู่ที่ไหนก็ตั้งสติไว้กำหนดการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นทางที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วอาตมาประสบมากับปัญหาเหล่านี้มากมายจิตคนเรา เปลี่ยนได้ในเมื่อมีสติไม่จำเป็นต้องกราวเฉพาะมนุษย์คนธรรมดาเท่านั้นแม้นแต่วิญญาณแตกดับทำลายขันของมันแล้วยังไปสร้างความดีของมันได้เช่นเปรตแม่กาหลงเป็นต้นพวกผีเปรตเทวดาก็ตามยังต้องมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่มีความสนใจเทวดาทั้งหลาย ก็มาชุมนุมกันฟังธรรมเทศนาเหมือนพระพุทธเจ้าเทศนาแก้ปัญหาเทวดาชนิ้อันนี้ก็มีสิทธิ์มาฟังกันได้ทั้งนั้นถ้าผู้ผีปรีชา ร, ราชทูตมีศรัทธาก็สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถสร้างความดีได้ไม่จาเป็นต้องกล่าวว่ามนุษย์ธรรมดาหรือคนธรรมดา ผีปีศาจราชทูตที่เราแผ่เมตตาไปอุทิศส่วนกุศลไปก็รับได้ก็ด้วยอำนาจบุญกุศลเปรีดหมดเวรหมดกรรมก็สร้างกุศลได้สามารถกุศลดนบรรดาลเกิดเป็นเทพเกิดเป็นโอปปาปติกะหรือผู้ที่มีกายทิพมีทิพยออำนาจของบุญกุศลเรียกว่ากายทิพ ประจักษ์ชัดสำหรับบุคคลผู้มีความเข้าใจและลึกซึ้งใจติดต่อกันได้โดยทางวิญญาณติดต่อกันโดยตรงโอปปะปฏิกะไม่ใช่เรื่องเล้ยวไหลแต่ประการใดแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวคือต้องการให้พ้นทุก์ต้องการไม่ให้ติดอยู่ไม่ต้อง พระเดชพระคุณหลวงพอ่อจรัญทิตะธรรมได้กล่าวแล้วว่าแม่กาหลงเป็นเปรตมากับบ้านซึ่งรื้อเอามาปลูกเป็นโรงครัวเป็นเปรตที่มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกระทั่งพ้นภาวะจากเปรตวิสัยไปสู่อัตตภพแห่งเทพอย่างอัศจรรย์แล้วแล้วตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์มีภาวะมนุษยวิสัย เหนือกว่าเปรตวิสัยไม่รู้ว่ากี่เท่ายังจะปลดปล่อยให้จิตปลิวไปกับกระแสกิเลสไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดอยู่อีกกระนั้นหรือลำดับต่อจากนี้จะนำเหตุการณ์มหัศจรรย์ ที่วัดอัมพวันโดยมีแม่กาหลงมาคล้องเกี่ยวด้วยมาเสนอให้ท่านสาธุชนได้รับรู้ดังต่อไปนี้ครั้งนั้นมีข้าราชการผู้หญิงเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินมาพักที่วัดอัมพวันเป็นกลุ่มเล็กๆข้าราชการกลุ่มนี้มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตอนแรกที่มากราบนมัส ก, การหลวงพ่อที่วัด ก็ยังไม่ได้มีความคิดจะพักที่วัดหากหลวงพ่อแนะนำว่าไปพักโรงแรมทำไมขอเชิญมาพักที่วัดดีกว่าตอนเช้าก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติตอนเย็นหมดภารกิจแล้วกลับมาพักผ่อนที่วัดซึ่งจะเป็นการประหยัดกว่าปลอดภัยกว่าและยังมีประโยชน์อีก กล่าวคือในตอนกลางคืนจะได้สนทนาธรรมให้คติกรรมฐานไปด้วยเหตุนี้ข้าราชการหญิงกลุ่มนี้จึงตัดสินใจมาพักที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็จัดการกุฏิพิเศษให้พักไม่ปะปนกับใคร การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับวัดซึ่งหลวงพ่อสั่งให้ฝ่ายโรงครัวจัดอาหารมื้อเย็นไว้บริการครบถ้วนวันนั้นเป็นวันพระหลวงพ่อจะต้องเข้าพระอุโบสถเพื่อลงพระปาฏิโมกข์ตามปักทางพุทธศาสนา คืนนั้นที่ตลาดสิงห์บุรีมีงานรื่นเริงพวกโรงครัวสี่ห้าคนก็ได้จังหวะที่หลวงพ่อลงโบสถแอบหนีไปเที่ยวตลาดกันหมดไม่มีใครหาอาหารมาเลี้ยงแขกบังเอิญขณะนั้นมีข้าราชการหญิงสองสามคนเดินผ่านมาหลวงพ่อจึงถามเรื่องอาหารการกินว่าเป็นอย่างไรบ้างข้าราชการหญิงจึงตอบว่าพวกเธอได้กินอาหารที่ทางวัดจัดมาให้แล้ว หลวงพ่อจึงถามว่าใครเลี้ยงโยมข้าราชการหญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงผมยาวผิวดำขำเอาอาหารมาเลี้ยงพอตอนเช้าหลวงพ่อก็เรียกพวกโรงครัวมาทั้งหมดให้เขาให้ข้าราชการหญิงชี้ตัวว่าคนไหนที่นำอาหารมาเลี้ยงปรากฏว่าไม่มีเลยสักคนข้าราชการหญิงจึงถามหลวงพ่อว่าผู้หญิงสาวสวยคมขำที่ให้การต้อนรับเมื่อคืนนี้เป็นใครกันละ่ะ วันนั้นกลุ่มข้าราชการหญิงทั้งหมดได้นมัสการกราบลาลุงพ่อและไม่เห็นหน้ากันอีกเลยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าราชการหญิงกลุ่มนี้ไม่ลืมไปตลอดชีวิตก็คือก่อนที่สาวสวยคมขำผมยาวจะปรากฏกายให้การต้อนรับทุกคนจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้คล้ายๆกลิ่นดอกมะลิ หอมตลบอบอวนทั่วทั้งศาลาโรงอาหารสำหรับเรื่องแม่กาหลงนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก็มีหลักฐานคือเรือนแม่กาหลงอยู่ทางทิศใต้ของวัด เทปมว้วนนี้ไม่มีจำน่ายแต่มีแจกให้ฟรีเพื่อการเผยแพร่ธรรมะและเรื่องราวของแม่กาหลงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ